พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สมกราคม2560มีชื 60, ่อเรื่องว่าสัจจะจับสติวันนี้เป็นวันพุทธที่สมกราคมพุทธศักราช2560พระ ในวัดของเราสี่สิบเอ็ดลงมาฉันยี่สิบหกโองดฉันสิบห้านวันนี้พงศกูบาทาไปทำกํากแพงแล้วก็คงจะเหนื่อยลืมตื่นเสร็จแล้วมั้งเนี่ยพ ร, ระไม่ลงมาฉันสิบห้ารูปวันนี้แต่ตามไม่จริงพระน้อยพระหนุ่มอดบ้างดี ถ้าไม่มีการอดจะเลยมันเป็นส่วนเกินเหมือนกับช้างมันจะตกมันมันต้องให้งดอาหารบ้างจึงจะเอาชนะทางจิตใจของเราอยู่ถ้าว่าวันไหนกับวันเก่าบำรุงร่างกายมันกระทบถมทางจิตใจ น, น, นักปฏิบตัติต้องสังเกตตนเอง ไม่มีใครที่จะ ส, สังเกตตนเองได้ยิ่งกว่าตัวของเราการอดอาหารไม่ใช่ว่ า, เ, าเห็นหมูอดหรือว่าอดแบบไม่คิดไม่อ่านมันก็ไม่ได้การอดอาหารก็ต้องดูการละการสถานที่การเวลาเวลาเราจะทำอะไร จังหวะเราจะอดอาหารนไม่ใช่ว่าคิดได้คิดอดเราต้องมองดูตัวของเราสัก่อนว่าช่วงนี้เราควรจะอดอาหารในเมื่ออดอาหารเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วว่าเ อ, อวันพรุ่งนี้เราจะอดอาหารถ้าไม่มีอะไรเราจะอดไปเรื่อยๆแต่อย่าไปตั้งสัตจจะ การตั้งสัจจะในการอดอาหารหลวงพ่อเคยทำมาแล้วไม่ดีเพราะเหตุไรก็เหมือนกับเราไปทำมาค้าขายนั่นะเขาเราจะไปตั้งสัจจะเพาข้าพ เ, เจ้าจะไปขายกาแฟาอยู่ตรงนี้เจ็ดวันแต่พอไปตั้งร้านกาแฟาแล้วไม่มีใครมาเล่าหนีก็หนีไม่ได้เพราะเราตั้งสัจจะไว่าเราจะอยู่ที่นี่ พอในสุดก็เลยอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเกิดไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมีมีไขไม่มีคนจะหนี้ก็ไม่ได้เพราะได้ตั้งใจเอาไว้แล้วนะกาะจะอยู่ที่เงี่ยเจ็ดวันะนี้ก็เหมือนการ อ, าารอดอาหาร เ, เพราะเราจะอดอาหารเราไปตั้งสัจจะเอาไว้พอภาวนาเข้าไปแล้วจะได้โอ้ ไม่ลู้ว่าสัญญาไม่ลู้ว่สังขารความปรุงความแต่งอิลงตุงนางอิลังตังนงเข้ามาหมดผลที่สุดก็เลยโอดทูชี้อยู่อย่างงั้นแหละพอได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะอดเจ็ดวันผลที่สุดออกมาจะเป็นบ้าเอาทีนี่เออเพราะฉะนั้นการอดอาหารหลวงพ่อจึงไม่แนะนําว่าให้ตั้งสัจจะเพียงแต่ว่า เราจะอดอาหารไปเรื่อยๆในช่วงนี้เราจะภาวนาแต่สัจจะในตัวของเราคือข้าพเจ้าจะให้มีสติสัมปะชัญญะให้มากที่สุดจะไม่ให้มันเผลอตัวนี้ให้มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะตัวนี้แปลว่าการภาวนาการอดอาหารในการภาวนาโดยมากจะล้มเร็วแต่ถ้าเรามีสัจจะในจุดนี้นะข้าพเจ้าจะให้มี สติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องให้มากที่สดุดถ้ามันเผลอไปเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นข้าพเจ้าจะกลับมาให้มันให้มันอยู่กับที่ปลายจมูกของข้าพเจ้าจะไม่ให้มันเผลออันนี้นะควรจะมีสัจจะตนนัวนี้แต่ว่าเรื่องสัจจะที่จะอดอาหารไปกี่วันนั้นไม่ควรจะมีตามที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมานะ เพราะว่าบางครั้งเราไปภาวนาเนี่ยมันนั่งเข้าไปแล้วมีแต่สัญญามีแต่สังขารมาลบกวนเออคาวนั้นต้องถอยเอาซะก่อนไปนว่าสู้กิเลสไม่ได้ต้องถอยทัพเพราะงั้นเอ่อไม่ใช่จะบุกเข้าไปบุกเข้าไปขันหนามเข้าไปนนเพอเพิ ด, เ, ด, เ, ดเสียคู่เสียคนได้ไง่ายงเสียกองพลกองพันได้ไง่ายงในเมื่อขยับเข้าไปเลยตีเข้าไปแล้วโอ้ไม่ได้กิเลสมันหนานแน่นถอยออกมาก่อน พอถอยเข้ามาได้จังหวะอีกเข้าไปอีกพอเข้าไปทีสองนยะจะไม่เหมือนทีแรกนะทีแรกเข้าไปขาวนั้นมาลงมาตุ่มแต่เขาพอไปข่าวในะตั้งท่าใหม่สนะั้นเลยทนีอรู้สึกเห็นผลออกมาเลยเรู้สึกว่าลาบคาบตามที่ตังเองต้องการเน่งผิดปกติเหมือนไม่เหมือนครั้งก่อนนี่แหละการภาวนาสาหรับพระนุกพระหลานทั้งหลายให้ สังเกตดูตนเองคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็เหมือนกันการภาวนานต้องลักษณะอย่างนั้นแต่เราก็ต้องสังเกตดูตัวเองว่า เ, เราที่มันง่วงนอนเพราะอะไรเราทานอาหารมากเกินไปใช่ไหมหรือเราทานอาหารประเภทไหนทําให้เราง่วงเงาวหงาวนอนนอันนี้ก็ให้สังเกตตนเอง เรานั่งในที่มืดเกินไปใช่ไหมเรานั่งนั่งในที่อับเกินไปใช่ไหมเรานั่งในสถานที่อย่างไรจิตใจของเราจึงจะมีความเท็จลับความสงบการนั่งภาวนาเราต้องดูในที่ปลอดภัยไม่ให้ยุงพวกยุงกัดแมลงตอมอย่างนี้ก็กระทำให้เรา ไม่ได้รับความสงบเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะวิธีการภาวนาต้องหาทำเลต้องหาที่นั่งในวัดของเราคนนีกุฏนะิหลังไหนที่มันองว่างคนนะขนาดหลวงปู่แหวนนะที่รีหลวงพ่อไปอยู่กับท่านนะปีสองพันห้าอยสิบอายุของท่านก็เจนะ็ดสิบกว่าแล้วสุขภาพของท่านก็ไม่ค่อยดีอีกต่างหาก พอท่านพักผ่อนประมาณชักเที่ยงกว่ากว่านี่ยหรือมาบ่ายโมงเนี่ยพออากาศแสงพระอาทิตย์ลับต้นไม้ท่าท่านก็ถือสุดสุดก็คือผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ําที่มันขาดหรือผ้ากีบอนที่มันขาดท่านจะมาฟันนะฟันให้เป็นสองเกี๊ยวนะพร้อมของเกี๊ยวเจนก็ถือไปด้วย จากนั้นก็ถือโดยมากตรงปูแหวนทั้งสูบปุริขี่โยนะที่เขาทําม้วนยาวๆนะใบตองกล้วยท่านก็ถือโดยม้วนสองสามม้วนจากนั้นท่านก็ไปแล้วก็กุติหลังไหนที่มันมว่างๆในวัดบอยแม่ปังท่านก็เดินไปที่กุติหลังนั้ น, น่ะที่คนไม่อยู่นะที่มุมอสงบจากนั้นก็ใช้ผ้าอาบน้ําของท่านเอ ที่ถือไปด้วยนะ่ะที่โพกหัวไปดท่านไปที่ไหนท่านจะเอาผ้าอาบน้ําโพกหัวนะเออเอาผ้าอาบน้ําโพกหัวไปเลยไปเลยก็ไปกุฏิหลังไหนที่ฌานที่ฌานกุฏิไม่มีใครอยู่นะ่ะท่านก็เอาผ้าอาบน้ําก็นนะั้นปัดเวียงไปเวียงมาปัดขี้ฝุ่นเหมือนกันนะปัวปะปัวป ะ, ปะเสร็จแล้วก็เอาผ้าอาน้ำเปิด น, นั้นแหละปูอพอปูที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ท่านคนนั้นนะเขาว่าสุดผ้าอาบน้ําแล้วผ้าจีบอนที่มันขาดทําเป็นสองเกียวที่มฟันไปก็จุดไฟแล้วท่านนี่พอจุดไฟเพื่อไล่ยุงไล่ตัวลิ้นที่ว่าดอยแม่ปังมันแปลกนะมีลิ้นนะพอตกหนาแล้งอย่างเนี้ยมีตัวลิ้นคันตัวเล็กๆมันกัดคันนะแต่มันกลัวกลัวสุดที่ผ้าที่ผ้าสุดเนี่ยมันก็ยากันยุงลักษณะอย่างนั้นอ่ะ แต่สมัยนะั้นไม่มียากันยุงนะแต่มันเป็นผ้าฝั่นเป็นสองเกลียวแล้วก็จุดไฟผูกจุดไฟมันก็เป็นควันขึ้นมาท่อมท่อมมันมีกลิ่นไนงะมันกลิ่นผ้านะเนี่อมันมีกลิ่นไฟพวกมแมลงไม่มาใกล้เลยท่านเลท่านก็นั่งภาวนาของท่านแล้วปะเนะี่หลวงปู่ท่านตามปกติท่านก็คอเอียงๆไปข้างหนึ่งใช่แล้วนะ เวลาท่านนั่งกับอเอียงอยู่อย่างงั้นแล้วงั้นแต่เราก็ไปมองๆจอบจอบมองๆดูหลวงปู่ท่านทําอะไรท่านนั่งภนะาวนาแต่ก็นั่งของท่านฮนะอพอนั่งเสร็จนานนะพอนนั่งเสร็จออกมาแล้วก็ออกจากนั่งก็เหยียดขาแล้วก็สูบ ป, ปุรีให้สูบ ป, ปุรีขี้โยนะอพอสูบ ป, ปุรีนะม้วนจบแล้วก็ เดินออกมาจากที่นั่งเอาผ้าอาบน้ำพับแล้วก็ผกศรรษีษาแล้วก็เดินออกมาละนี่แหละคือหลวงปู่ท่านต้องต้องหามุมหามุมสงบหามุมที่หลีกเล่นในการภาวนามุมไหนเนี่ยแต่ละวันบางที่ไปกุฏิลังนั้นบางที้กลับไปกุฏิลังนี้ ไปถึงมุมนั้นมุมนี้ทั้งก็ไปเรื่อยของวัดในวัดของท่านเรืยกว่าไป น, นั่งอยู่ที่ทีม่มานั่งที่มันเป็นที่นั่งที่ปลอดภัยนะไม่ให้มันหงายหลังเรียกว่าขำมำลงได้ง่ายๆนะท่านคนหาที่นั่งที่เหมาะสมนี่แหละคือการหาธรรมเลยที่ว่าหาที่นั่งสมาธิภาวน า, าไม่ใช่ว่าเราจะนั่งอยู่ในห้องตลอดไม่ใช่นะ เราต้องหาที่ทำเลแต่วทิ้ยังไงให้มีอย่างที่ท่านนั่นไม่ให้มีแมลงมารบกวนแต่อย่างพวกเรานั่งทุกวันเนี่ยถ้าเรามีมุ้งครอบน่ะเอเราจะไป น, นั่งที่ไหนก็ได้นั่งะปูอาสนะเลยก็ที่ปลอดภัยเลยก็ปูอาสนะกับมุ้งขอบมันเย็นๆนั่งภาวนาได้ทั้งนั้น่ะนี่แหละ จากนั้นแต่ว่าการนั่งภาวนาเราต้องจตตั้งจิตีิฐานไว้ในใจว่าข้าพเจ้าไม่ให้มันเผลอจะไม่ให้จิตใจออกไปข้างนอกจะให้อยู่ที่กําหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นในขณะนี้นะจากนั้นก็เมื่อเราภาวนาจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วจากนั้นก็เมื่อภาวนาจิตใจสงบระเหิดถอนออกจากสมาธิมาพิจารณา พิจารณาร่างกายพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเราไปเห็นกระดูกโครงกระดูกที่ไหนที่เป็นรูปภาพนะแล้วก็เห็นกระดูกที่เขาแขวนไว้เราก็ไปเห็นกระดูกสังเกตดูให้มันเป็นนิมิตติดตาของเราจากนั้นเมื่อเรามานั่งภาวนาเราก็กำหนดดูกระดูกโครงนั้นหละมาเปรียบเทียบกับ โครงของเราเรานั่งอยู่นี่นะเหมือน ก, กับกระดูกโครงนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ใช่ไหมโครงกระดูกของคนใช่ไหมใช่เพราะจิตใจได้ผ่านความสงบมาแล้วเนี่ยเมื่อกำหนดดูถึงโครงกระดูกถุนนั้นกัดูโครงกระดูกของตอนเองพอเห็นโครงกระดูกตนเองเนี่ยร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้แพ่กันเลย แต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นหละไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นเมื่อพิจารณาร่างกายตัวเอง เ, เสร็จแล้วก็ดูใจ เ, เ่อะนอใจของเราเนี่ยอย่าไปหลงร่างกายว่าจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายไม่เป็นนะใจนะเห็นไหมนะดวงวิญญาณของเขาที่อยู่คลองร่างโคงกระดูกของโค้งนั่นนกะก็เหมือนกับของเราเนี่แหละ แล้วก็มีใจกับครองร่างโครงกระดูกของเราอีกเหมือนกันแต่อีกทักวันหนึ่งเราก็เจ้าต้องนี้จะโครงกระดูกของเราอีกเหมือนกันนะ่ะไปหาเย็ดโครงกระดูกอื่นเองนี่แหละในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะตัวของเรานะอย่าหลงนะในเมื่อไม่หลงตนเองก็ไม่หลงคนอื่นไม่หลงสิ่งอื่น ไม่หลงทรัพย์สมบัติไม่หลงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่หลงยศญาติโกโหติกาผี่น้องไม่หลงใครทั้งหมดเพราะอะไรเพราะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปเกิดในสถานที่ต่างๆหลวงพอยังเคยพูดว่าสมัยไปเกิดเป็นพมา่าก็เกลียดไทยแต่พอมาเกิดเป็น ใเลยเกิดเกลียดพม่าลักษณะอย่างนั้นล่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราในโลกนี้มันพร้อมที่จะไปเกิดได้ทุกสถานที่ทุกอตัวสัตว์ตัวทุกตัววิญญาณใจของเรากรรมเป็นผู้จําแนกกรรมเป็นผู้พาไปถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะพาไปถ้าเราทํากรรมชั่วกำชั่วก็จะพาไปนั่นแหะท่านจึงให้ทําแต่กรรมดี คิดดีทาดีพูดดีกรรมคือการกระทาให้พวกเราทํากรรมดีนี่แหละให้ภาวนาให้ดูใจของตนเองแต่เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเออน่งสงบนั่นแหละเป็นสมาธิอันนั้นแหละคือเกิดญารณรัตนะเกิดฌานในความรู้สึกความสงบนั่นถ้าตายในความสงบนั่นแหละตายที่ อ, อยู่ในสมาธินะไปเกิดเป็นพรหมนะ แต่ถ้าว่าอะไรก็ตามตายในอันนี้สงทานอันนี้สงศินอันนี้สงประกอบคุณงามความดีอันนี้ไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์แต่ถ้าว่าเราชําระกษ์ิเลสได้รู้แจ้งเห็นจริงในระดับ เ, เป็นมาตรฐานเป็นพระโสดาบันอันนั้นเกิดเป็นพรหมแลยจะไปเกิดสวรรค์ก็ได้เลือกเกิดได้ เ, เลือกเกิดได้จะหวนชั้นไหนก็ได้ แต่จะต้องมาเกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติแต่ไม่เกินอันนี้คือพระโสดาพระสกทากาเกิดชาติเดียวพระอนาคามิไม่ลงมาเกิดในพื้นมนุษย์โลกพอมรณะไปแล้วหนึ่งไปสู่สอูอยู่ชั้นพรมชั้นพรมชั้นสุตวาดห้าชั้นที่รองรับพระอนาคามีคือพรม เอาวิหาอัตปาทุตสาทุตเสียกนิฐานี่คือผมหชั้นจากนั้นก็ไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกเข้าสู่นิพพานไปชําระกิเลสคืออวิชชาตัวนั้นอ่ะคือตัวหลงยังหลงอยู่ความหลงยังติดอยู่นิดๆไม่มากแต่ขึ้นไปจะชำระความหลงตัวอวิชชาหยุดในชั้นผมหชั้นนั้น จากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไม่ลงมาเกิดอกีกนี่แหละขั้นตอนในการประพุทธปฏิบัติธรรมให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการทำความดีระดับหนึ่งมันก็ได้ระดับหนึ่งเหมือนเราเรียนหนังสือนะ เ, ออเราเรียนก็จบประถมสเีเราจะทำงานขีดความสามารถขนาดไหนจบมหนึ 1, ่งมสองมสามจบปริญญาตรีโทเอก แล้วได้ขนาดไหนในการประพุทธปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆนั้นเหมือนกันนะแต่ตามไม่จริงก็ความสามารถของเราเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันอันหนึ่งก็คือบุญวัตศาสนาบา ร, รมีเก่าอีกเหมือนกับได้บา ร, รมีมาอยู่แต่มาเกิดพบนึกชาตินี้เนี่ยกรรมเก่ากำลังเล่นงานให้ผลอันนี้มันก็ตกทุกข์ได้ยากแต่พอผลกรรมเก่า ไม่ให้ผลกรรมใหม่ที่สร้างบารมีมาแล้วเข้ามาประคองนะ่ยมันก็พระ ง, งาดขึ้นมาอีกได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามคน เ, เพราะอะไลเพราะกรรมคือการกระทําในอดีตชาตินะบางทีมันให้กรรมต่างต่างกรรมต่างวาระกันนะ เ, เมื่อกรำชั่วให้ผลเมื่อตกต่ำ เมื่อกรมดีให้ผลมันก็ผางาดขึ้นนะนี่แหละกรำดีกำชั่วพร้อมที่จะให้ผลกับพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพราะท่านท่านจึงว่ากรำชั่วจะคิดทําเฉลยดีกว่านะทําแต่กรรมดีถ้าทํากรรมดีกรำดีให้ผลพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนาก็อย่างที่ว่านั่นนั้นคือต้นต่อหรือหลักใหญ่ ของพระพุทธศาสนาเลยละ่ะเรื่องภาวนานะเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยเป็นปีกง่าสาขาของมันของคุณงามความดีแต่เรื่องภาวนาเนี่ยต้นเงาของการภาวนาเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนแหละท่านภาวนานะเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาเนี่ยเป็นหลักแต่อเ น, นสง์เหล่านั้นคืออเนส่งเสริมเสริมให้ภาวนาเนี่ยเป็น เป็นหลักเป็นแหล่งขึ้นมาแต่จริงยังไงทั้งสามอย่างทานศีลเราก็ทำเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอย่างองหลวงตานะ่ท่านภาวนาเป็นแล้วท่านภาวนาได้สำเร็จเป็นพระหันแล้วทำไมท่านจึง เ, เสียสะจนถึงทานท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านบอกว่ามันปราดใช้จากไม่ได้นะ เ, เหมือนกับไม้มันจะมีตะแกนอย่างเดียวได้ยังไงมันก็ต้องมีเปลือกมีั้งมีคำภีกับพีเนะี่ย มันยัค่อยมีแกนนะเพราะท่านเพราะนั้นท่านถึงทำตัวอย่างให้กับพวกเราได้เห็นได้ดูเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่ถึงยังไงก็จะให้คนอื่นตรือดร้อนทำเมือมอม่อมันมีมาก็ทำทำมันไม่มีมาก่อนจะเป็นเน้นหนักจะไปทุกข์กับมันโอ้เราไม่มีของทานไปทุกข์กับมันก็ไม่ใช่เรารักษาศีลก็ได้ เมื่อเรารักษาศีลไม่บอกเอานั่งภาวนารักษาศีลกับภาวนานี่ยนี่แหละเลิศประเสริฐนะแต่เมื่อเรามีทานเราทําเอ้อเอาเราต้องทำํำถ้ามันมีแล้วไม่ทําอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะ เ, เพราะอะไรเพราะมันไปด้วยกัน เ, เหมือนกับไม้ไม่มีเปลือกอย่างงั้นนะมีแต่กับพีกับแก่นมันจะได้ยังไงเพอเพิมันจะไม่มีแก่นอีกต่างหากเพราะไม่มีเปลือกนะเพราะนั้นอาศัยกันนี่แหละการสร้างคุณงามความดี มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะให้พวกเราสังเกตใช้ปัญญาเนะทบทวนในสิ่งที่พวกเราก็ทำสรุปแล้วก็คื อ, อประกอบคุณงามความดีนั่นแหละสังสมบุญกุศลการเสียสะละร่างกะการเสียสละกาลังกาลังกายกําลังทรัพย์ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีของพวกเราทั้งหมดนั่นแนหะตอนน่อไปพระสงฆ์อนุทนาให้พรรับพรในต น, นี้นะ